ผู้เจ้าก็ยังต้องใช้นี่ต้องใช้นี่แต่ที่ทันใช้ไปนี่คือพูดง่ายว่าไม่ทุกไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรใช้ก็ใช้ไปถึงได้ใช้คำว่าก็ไม่ใช่คือถ้าไม่เดือดร้อนอะไรแล้วนะอันนี้อันนี้พูดแต่ในแง่แง่ดีไปแล้วหมดคราวนี้เราลองมาขึ้นแง่ว่าถ้าตัวตั้งเนี่ยถ้าตัวตั้งถ้าตัวตั้งตัวนำเป็นกรรม ชั่วเป็นกรรมบาปที่มาเล่นงานเราถ้าคนนั้นเนี่ยดูนะอย่างข้อที่หนึ่งดำรงชีพด้วยผลของความหมันปรากฏว่ามันทำอะไรมันทำชั่วมันทำบาปมันทำเลววันวันหนึ่งก็คิดเป่งโทษคิดร้ายต่อใครต่อใครเขาอย่างเงี้ยนะพูดอะไรก็พูดส่อเสียดพูดผิดศีลอ่าหรือว่าเป็นกายกรรมก็นันะ่นแะ นะผิดอะไรอะ่ะาสัตว์ชีวิตบัง่งหรือว่าลักขโมยบ้างหรือว่าอะไรอะ่ะเรื่องกรมบ้างนะไปผิดศีลข้อที่สามอ้าวหรือไปมีอบายามุกหรือว่าไปติดอะไรอะ่ะแล้วแต่ฐานนะอันนี้แล้วแต่ฐานคนเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหถ้ากรรมปัจจุบันคนนั้นเนี่ย ทำเร็วทำชั่วทำบ่อยๆคำว่าหมันนี่คือคุณทำอยู่เรื่อยเลยบางคนน่ะ e, จริงนะไม่อยากทำไม่อยากทำแต่ทำอยู่เรื่อยเลยไม่อยากทำไม่อยากทำแต่ห้ามไม่ได้อ่ะห้ามตัวเองไม่อยู่นะไม่อยากด่าใครเขาว่าโอ้ลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยไอ้อย่างงี้มันก็คือความหมันเหมือนกันนะคุ ณ, ค, ณคุณทำบ่อยเหลือเกินเพราะนั้นถ้าถ้ากรรมเรวกรรมชั่วเนี่ย ปัจจุบนะันน่ะทำอยูย่บ่อยทำอยูย่บ่อยทำอยูย่บ่อยเขาบอกว่าคนนั้นน่ะดำลงชีพด้วยกรรมชั่วนั้นนะด้วยกรรมกรรมเลวอันนั้นก็คุณคิดดูเอาง่ายๆอ่ะใครจะชอบยิ่งถ้ามามาอยู่ในหมู่กลุ่มสังคมที่เขาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วใครมาเป็นคนเลวใครมาเป็นคนชั่วใครมาทําไม่ดีในในแง่มุมไหนก็ตามไม่มีใครชอบหรอกคุณ อย่าว่าแต่คาวาะเลยต่อให้นักบวชก็นักบวชเถอะถ้ามาทำอะไรที่ที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะที่ไม่ควรนะแล้วก็ทำอยู่เรื่อยทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยคารวะก็ไม่ชอบเหมือนกันคารวะก็ยังมีสิทธิ์คว่มบาตรพระได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผลปัจจุบันเนี่ยจรงิงๆแล้วผลปัจจุบันเนี่จะแรงนะยิ่งถ้าผลปัจจุบันของกราชั่วนะทำอย่างมากมาก ทำอย่างยิ่งใหญ่ทำอย่างมโหฬารโอ้โหก็มาแรงสิคนนี้แต่เป็นกรรมชั่วนะมาแรงนะไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าเลยนะคนนี้ของใหม่นะนี่ของใหม่เพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนนี่ทำเลวทาชั่วอะไรของใหม่เนี่ยพอทาปุบ๊บโดนปั๊บเลยยิ่งถ้าเป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยคุณไปพลาดคุณไปทำ ช่วทำกรรมเลวอะไรที่ถึงขั้นประชิดคุณจบเพลเลยใช่ไหมอะไรอะไรที่ต่อให้คุณทำดีมายังไงก็ตามนเนี่ยเนยต่อให้วิบากบุญเก่าของคุณมีใช่หมแต่ถ้าคุณไปทำวิบากบาปใหม่ที่โอโ้โหหนักหนาสาหัสกันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคุณเพราะของใหม่มันใหญ่โตเหลือเกินไอของเก่าที่คุณทำดีมานิดนิดหน่อยน่ยสะสมมามันยังไม่เท่าไอของใหม่ที่ทำดีเลย วันทันทีเลยนะตูมเลยนะของใหม่นี่เล่นงานตูมทันทีจบเลยปรชิกไปนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยชาตินั้นทั้งชาติเลยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์บวชเลยแต่ยังมีสิทธิ์ทําดีได้นะแต่หมดสิทธิ์บวชในพุทธศาสนาชาตินั้นทั้งชาติพุทธเจ้าถือว่าถ้าไปทําผิดประชิกเมื่อไหร่ถือว่าคอขาดเป็นคนที่โดนตัดคอทิ้งไปแล้วก็คือตายจากาศาสนาคําว่า ตัดคอทิ้งมันี้หมาถึงว่าตายจากศาสนาคือหมดสิทธิ์ฟื้นแล้วนะคุณต้องรอเกิดใหม่คุณต้องรอเกิดชาติใหม่แล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมาบวชได้แต่ถ้าในชีวิตนี้ไปทําผิดประรชิกแล้วตายจากศาสนาศาสนาก็ไม่เอื้อด้วยคนนั้นต้องขวนขวายเอาเองคนในศาสนาพุทธจะไม่เอื้อให้ นะพ่อท่านเนี่ยจะแบบว่าไอ้นั่นเลยถ้าเทศแสดงทำอยู่คนประชิกเข้ามาเลิกเทศเลยหยุดเทศต่อให้เทศเทศอยู่เนี่ยแหละกาลังเทศถึงพิกถึงขิงเลยนะปรากฏว่าคนประชิกเดินเข้ามาแล้วเรารู้นะว่า น, นี่ประชิกมาเราก็จะเข้ามาในหมู่กลุ่มเราเนี่ยเราจะหยุดเทศให้คนนี้ไปก่อนคือไม่เอื้อธรรมะให้เลยนอกจากคนนั้นต้องขวนขวายเอาเองแต่ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่เอื้อให้นะยกเว้นว่าบางทีเขาจะกินข้าวกินน้ำจะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องของชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่อะไรพวกนั้น อ, อันนั้นนะ่พอจะเอื้อกันได้บ้างตามเท่าที่จะพอเป็นไปได้แต่เรื่องของธรรมะนี่คือคอขาดเลยไม่เอื้อให้เลยเป็นการลงโทษที่จริงเป็นการลงโทษนะเพรานะนั้นอันนี้ ให้เรารู้ว่าโอ้โหรระวังนะอันเนี้ยพวกเราเองแล้วก็อยากคิดว่าเป็นค่าววมันจะไม่มีเหมือนกับปราชิกมันเหมือนกันแล้วนะคุณเพียงแต่ว่าภาษาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป็นประชิกแต่โดยความเป็นจริงอะ่ะคุณเห็นไหมบางทีอ่ะถ้าพูดแบบชาวบ้านบางครั้งโอ้โหบางคนโดนลุมประชาทันใช่ไมเคยเห็นไหมบางทีไอ้พวกเมายาบ้า นะแล้วก็โอ้โหไปจับเด็กมาใช่ไหมจะเชือดคอเด็กหรือจะทำร้ายคนนั้นคนนี้เขาไอตอนที่มันเอาเป็นตัวประกันอยู่เขาก็ยังไม่อะไรนั่นแหะแต่บางทีถ้าหลุดออกมาตํารวจจับได้หรือว่าประชาชนจับได้ไปไงโอ้โหเขาอัดตรงนั้นแหละบางทีนี่เผล อ, เ, อ, เ, อเขาอัดตายตรงนั้นเลยอะ่ะนี่ยมันเหมือนกับเห็นไหมกรรมปัจจุบันเนี่ยถ้ามันทําเลวทําร้ายจงกระทั่งโอ้โหคนเขายอมรับไม่ได้อะไรนี่ ผลมันทันทีเลยนะแล้วบอกแล้ววิบากบุญของคุณก็น้อยเหลือเกินไม่สามารถบาเกืิดหนุนได้เลยนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยวันเราเองพยายามอย่าให้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เตือนสติตัวเองให้ดีๆอะไรเนี่ยบางทีเราปฏิบัติทำมันรู้นะเฮ้ยอย่างงี้เร็วนะอย่างงี้หนักนะอย่างงี้กรรมหนักนะอย่างงี้ไม่ดีแล้วนะพยายาม ฝืนจิตฝืนใจยังไงข่มใจยังไงฝืนอย่าไปทํามันอย่าไปทํามันเพราะรู้เลยว่าถ้าทำแล้วนี่สวยเด็ดขาดเลยอ้อ น, นห้ามจิตห้ามใจให้อยู่ส่วนใหญ่คนที่จะห้ามจิตได้นี่นะพราะรู้ว่าอันนี้เลวแล้วไม่ดีเนี่ยมันมีฮิลิโอตาปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติเนี่ยที่เรา ทำงานเราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันบางเรื่องบางอย่างแม้ว่าไม่ใช่โทษหนักอะไรนักหัดสีหัดว่าอุ้ยนี่มันก็ไม่ดีนะอย่างเงี้ยเราไม่ทำได้ไหมก็ได้อะ ก, ก, ก็ได้ก็อย่าไปทำสิบางทีวันหัดเลยหัดฝืนใจหัดงดเว้นออกมาก็อย่าไปทำมันบางคนเนี่ยไม่ต้องซื้อหวยก็ได้บางคนน่ะ แต่ก็ออช่วยเขาหน่อยนะย้อน่ะไอ้หนอยไอ้นี่นะก็ปล่อยไปอย่างเนี้แล้วมันก็เลยติดนิสัยคนที่ปล่อยอย่างนี้บ่อยๆแล้วติดนิสัยพอถึงเวลาเรื่องใหญ่จริงๆมันที่มันห้ามใจไม่อยู่ละเพราะว่าชีวิตจริงๆมันไปสะสมอ้อย้อนย้อนย้อ น, นอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างจริงก็โดนว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคิดอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยในที่สุดพอเรื่องใหญ่มันท้ามใจไม่อยู่วันใครเนี่ย จะห้ามใจได้เนี่ยอย่าประมาทในเรื่องเล็กๆน้อยๆพระพุทธเจ้าท่านถึงใช้คำว่าอะไรฮ ะ, ะโทษภัยแม้มีประมาณน้อยเนี่ยคุณอย่าประมาทพระเจ้าท่านใช้คานี้เลยว่าอย่าประมาทวันบางทีเนี่ยบางเรื่องเล็กๆน้อยเนี่ยก็เราทาได้อยู่แล้วทาไมไม่ทำอ่บางทีเนี่ย บางคนเนี่ยเอาข้าห้องน้ำอายยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเข้าห้องน้ํามันส้วมไปทำสกปรกทําเลอะเราก็เห็นนะว่าเราทํานะก็บางทีเนี่ยก็ไม่ได้รีบไปไหนอ่ะแต่ก็เห็นด้วยเห็นแล้วก็เฉยเราก็ออกเกี่ยวกห้องน้ําแล้วก็ไปของเราเงี้ยก็เห็นอยู่ก็ก็ทําได้ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรก็ทําได้แล้วทําไมไม่ทําเออบางทีก็อะไรเนี่ยขัดหน่อยเอาน้ําราดหน่อยหรืออะไรหน่อยมันก็สะอาดแล้ว ก็ได้แล้วล่ะแค่เนี้ยบางทีทําไมไม่ทําอ่ะแคน่นี้เนี่ยเนี่ยคนที่ปล่อยอย่างเงี้ยเรื่อยเื่อยปล่อยอย่างงี้เรื่อยเื่อยมันก็จะสะสมไปเรื่อยจนในที่สุดถึงบอกว่าไอการสะสมบ่อยเข้าบ่อยเข้ามัก็หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจนในที่สุดพอเรื่องใหญ่มันก็ทําไม่ได้แล้วมันไม่สามารถบังคับจิตบังคับใจได้นะอ้าวอันนี้คือข้อที่หนึ่งเอาตอนนี้เรามาดูข้อที่สองคราวนี้ ดำรงชีพด้วยผลของกรรมบอกงั้นนะตอนนี้เป็นกรรมชั่วนะอ่าโอ้โหคนนี้ผูดง่ายว่าตอนนี้สวยจริงๆเลยสังเกตไหมบางครั้งอ่ะไม่ต้องคนอื่นหรอกเราเนี่ยแหละโอ้ยทําไมวันนี้มันสวยสวยนะตื่นมาตั้งแต่เช้าก็สวยแล้วนะโดนด่าแต่เช้าเลยอ่าหรือบางทีอะไรอ่ะงวงเงียงวงเงีย ง, งเงยงข้าห้องน้ำไปหกลม้มในห้องน้ำโอ้ยสวยจังเลยมัน อย่างนั้นนะหรือว่าไ ม, ไ ม, ไม่ก็บางทีโอ้ทางานทำการอะไรก็โอ้โหิพลาดพลาดาไม่อาจจะไม่เจตานาแต่ก็มันก็ทำไปแล้วมันก็เสียหายมันก็พลาดไปอะไรอย่างนี้เนี่ยคือคือเพื่อง่ายว่ากรรมเก่าที่ที่ที่เป็นบิบากบาปอะไรพวกนี้มันมีฤทธิ์มันมีผลที่กำลังมาแรงแล้วกำลังมาเร่งงาล้วแล้ ว, แ, ลวแม้ว่าบางคนสังเกตไหม เออเราก็ว่าเราก็พยายามมาถือศีลเราก็พยายามมาปฏิบัติธรรมให้มันดีแล้วนะนี่นี่คือความหมั่นมันถึงบอกว่าตอนนี้ดำรงชีพนี่ไม่ใช่ด้วยผลของความหมั่นแล้วคือเราก็พยายามทำดีอยู่อะแต่ในขณะที่เราพยายามทำดีเอ๊ะทาไมมันซวยอย่างเลยก็บิบากบาปมันมันมาเล่นงานตอนนี้ทำอะไรเหมือนถ้าปั้ประษาง่าย โอ้ดวงตกยังเลยภาษาที่เขาใจใจกันโอ้โหทําไมดวงตกยังเลยวันนี้ไม่ใช่เล่นไพ่นะเอ เ, อเอดมไพ่กันนะเพราะว่าตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องเรื่องเอกรรมชั่วนะไอคนที่มันไปเล่นไพ่เนี่ยมันก็ทกํากรรมชั่วอยู่แล้วอ่ะไปติดใบยมุกเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นแล้วก็เสียเล่นเ ล, นเลนแล้วก็เสียเนี่ยแหละเพราะตอนนี้ต้องให้เสีย ứng? อ่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็วิบากเก่ามันมันมาให้เสียให้เสียเสียคุณก็ต้องเสียเสียเสียนะ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแหละสภาวะจิตตรงเงี้ยต้องระวังอยากจะเตือนเพราะว่าหลายคนเระชอบมันน้อยใจคือพอพอช่วงจังหวะชีวิตเจออันนี้เนี่ยชอบมันน้อยใจแม้เราก็มาวัดเรื่อยเลยแล้วเราก็มาช่วยนี่ก็บริจาคไปตั้งเยอะแล้วนะดูสิแม่เรา ไม่น่าจะต้องมาโดนว่าแรงอย่างนี้เลยอ้าวนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบจะมาน้อยใจอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับชอบจะทวงบุญคุณเนี่ยคุณเข้าใจไหมจะทวงบุญคุณคือคือยิ่งบางทีกับคนที่เราคล้ายๆกับว่าอะไรอะ่ะเราช่วยเหลือมาหรือว่าเราทําดีด้วยมาใช่ไหมเสร็จแล้วบางทีโดนติเอาอย่างเงี้ยโดนว่าเอาอย่างเงี้ยจากจากจา ก, จากคนนั้นนี่แหละมันชอบจะเป็นลักษณะเนี่ย แต่คุณไม่รู้ว่าบางทีนี่แหละมันเป็นผลวิบากกรรมที่สะสมมาบางทีคุณต้องโดนบ้างอ่ะคุณต้องเจอบ้างอ่ะพราะบอกแล้วตอนนี้ดวงสวยแล้วนี่วิบากกรรมทางด้านบาปมันมาเล่นงานแล้วอ่ะแล้ววิบากกรรมชั่ววิบากกรรมเลวมันเล่นงานคุณเนี่ยมันจะเล่นงานให้คุณสุขสบายแล้วไอ้นั่นมันวิบากบุญแต่ตอนนี้มันเป็นวิบากบาปมันมาเล่นงานคุณมันไม่ให้คุณสบายหรอกมันต้องให้คุณทุก มันต้องให้คุณทรมานมันต้องให้คุณเจ็บปวด <c oughs> ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้นะคุณมีทางแก้อยู่อย่างเดียวก็คือคือต้องรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงให้ได้ว่าตอนเนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้จะลงชีพด้วยด้วยไอไอกรรมใหม่นี่แหละเพราะกรรมใหมน่นี่ตอนนี้ลิดอ่อนเหลือเกินแรงน้อยเหลือเกิน ไอ้กรรมเก่าที่มันหนักนี่มันกําลังเล่นงานเราอย่างหนักแล้วเพราะฉะนั้นแต่อย่างน้อยให้รู้ไว้ว่าเรามีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมันพอจะบรรเทาได้บ้างนะแต่คนไม่ค่อยคิดอย่างนี้หรอกคนส่วนใหญ่ชอบไปคิดว่าก็เราทําดีสะสมมาแล้วทําไมกรรมดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ช่วยเราให้เราสุขสบายคือคื อ, ค, อคือคิดจะจะเอาสบายเลยอะ่ะทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่ความเป็นจริงเนี่ยสมมุติว่าหกล้มไปเนี่ยแขนหักเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหักสองแขนเลยนะแต่จริงๆคุณยังมีบุญอยู่บ้าง <c oughs> อนะเอเพราะจากผลบุญที่ทํมามาเลยหักแค่แขนเดียวะแต่เราไม่ค่อยนึกอย่างเนี้ใช่ไหมเราชอบนึกว่าโอ้โหทําไมเรายังต้องแขนหักมันไม่น่าต้องแขนหักเลยคือคนชอบจะคิดต้องการความต้องการมันมากกว่าที่ที่ความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงกรรมเก่าเราเนี่ย มันบรรเทาได้ถ้าเป็นบิบากบาปมันบรรเทาได้นะไม่ใช่ว่ า, าลดลงบัน้นหย่อนลงบ้างไม่ได้ไม่ใช่นะนบรรบรรเทาได้แต่ก็ต้องหมายถึงว่ากรรมดีของคุณเนี่ยก็ต้องมีฤทธแรงคุณต้องทําจนมากพอนะจนกระทั่งเออมันพอที่จะบรรเทาได้และอันนี้ก็หมายถึงว่ากรรมที่ไม่ใช่กรรมบอกแล้วไม่ใช่กรรมหนักที่เป็นอนันตาริยกรรมนะ คื อ, ออย่างนั้นคุณบรรเทาไม่ได้หรอกเคยพูดให้ฟังแล้วกรรมหนักมันมาเต็มร้อยคุณก็ใช้ทั้งร้อยอะ่ะคุณจะไปต่อรองยังไงได้อะ่ะเพราะมันมันเป็นกรรมที่เรียกว่าไม่สามารถต่อรองอะแต่บางทีกรรมเบาๆอื่นๆเนี้ยเออเราไปทำผิดพลาดเอาไว้ใช่ไหมอาจจะผิดสักสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาหายแรงอะไรเกินไปแต่คุณสะสมดีมา สังเกตไหมคนที่เขาสะสมดีมาถ้ามากพอสมควรเนี่ยนะบางครั้งเขาก็ไปทําผิดพลาดแต่คนจะมติคนจะมาด่าว่าเขาเนี่ยก็มีนะเพราะว่าเขาทําผิดพลาดจริงๆแต่เป็นไงเวลาเขามาว่าเขาค่อนข้างว่าแบบนุ่มนวลหน่อยนะบางทเาีเขาก็ เ, าเกรงใจนะเกรงใจค่อยๆอตําหนิอย่างนั้นว่าอย่างนี้อะไรต่างๆนั่นแนหะมันจะมีเนี่ยเนี่ยคือ บุญเก่าของเราที่เออช่วยทําให้แทนที่เขาจะมาด่าเราแบบเต็มสามสิบเลยนะเต็มสี่สิบเลยนะเขาอาจจะลดให้ครึ่งราคาฐานที่เป็นคนดีสะสมมาแล้วก็ด่าเหลือสักสิบยี่สิบเองเนี่ยมันมีผลจริงๆแต่ต้องเข้าใจเรื่องของบุญเรื่องของกรรมอันนี้ให้ให้ชัดเจนส่วนอันนี้เนี่ยคราวนี้ตัวที่สาม ดำรงชีพด้วยผลของความหมันทั้งดำรงชีพด้วยผลของกรรมโอ้โหเป็นไงบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นกรรมชั่วเป็นไงโอ้โหสวยที่สุดเลยตอนนี้ตอนเนี้ยสวยมหาสวยเลยถึงขั้นนี้นะอาตมาอยากจะบอกว่าโอ้โหคุณสงสัยไปไม่รอดเลยถ้าทั้งทั้งกรรมใหม่นี่นะแล้วกรรมใหม่มันแรงด้วยนะปรากฏว่า กรรมใหม่นี่คุณก็ไปทําหยาบทําผิดหยาบหยาบทำผิดใหญ่ใหญ่ทำผิดหนักหนักด้วยเสร็จแล้วไอ้วิบากกรรมเก่าก็หนักหนักมาอีกด้วยโอ้โหคราวนี้ซวยซ้ําซ้อนเลยแหละเนี่ยแทบจะอะไระเขาเรียกถ้าถ้าพูดภาษาโลกโลกมันอยากจะฆ่าตัวตายเลยลเนี่ยจะซวยซ้ําซ้อนเลยลเพราะสังเกตไหมบางคนเนี่ยจะไปทํามาหากินเอ่ะ ไปค้าขายไปทําอะไรเจ๊งโดนโกงโดนโกงเสร็จเอาสมมติติดคุกติดคุกเสร็จเป็นไงในคุกโดนก็ซ้อมอีกอะไรเงี้ยโอ้โหสวยตะบานลาดเลยอย่างนี้เขาเรียกซึ่งเรียกว่าออของใหม่ก็สวยนะของเก่าก็สวยแล้วก็ไม่มีอะไรเกลื้อเลยเนี่ยเพราะกรรมเก่าก็ไปทําเลวสะสมมาเยอะใช่ไหม ของใหม่ก็ยังทําเร็วอยู่อีกโอ้โหใครอยากจะไปช่วยอย่างเงี้ยคุณนึกตามสภาพความเป็นจริงต่อให้บางทีเนี่ยอะไรอ่ะแบบเป็นสายโพธิสัตว์หน่อยอย่างเงี้ยบางทีนะอยากจะช่วยแต่บางทียังโอ้โหช่วยไหวหรือเปล่าเนี่ยมันจะฉุดไหวหรือเปล่าเพราะประเภทนี้ส่วนมากโอ้โหหนาหนักมากประเภทนี้ปุถุพวกนี้หนาเพราะปัจจุบันก็ยังเร็วอดีตก็เร็ว เพราะนั้นอนาคตเลวพวกเนี้ยยากพวกนี้จะยากมากๆเลยแต่ตอนนี้เอาละไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นพูดถึงเราเองนะอาจจะอาจจะไม่ต้องพูดถึงกรรมอะไรที่มันใหญ่โตนักให้เราลองมาสํารวจตั ว, ต, วตัวเราเรามีอะไรบ้างที่ปัจจุบันนี้เราก็ยังทําบกพร่องทําไม่ดีอยูท่ทั้งทั้งที่บอกแล้ว จริงๆเราแก้ไขก็ได้เราเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปัจจุบันกรรมของเรานี่เรายังทําบกพร่องอย่างนั้นหรือทําผิดพลาดอย่างนั้นแล้วก็ยังทํายกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดความคิดเกลียดใครไม่ชอบใครถามมารู้ไหมไม่ชอบที่มันมันเหรอมันอร่อยเหรอฮะไม่ชอบใครเขาเนี่ย ถือสาเขาอย่างเงี้ยเพ่งโทษเขาอย่างเงี้ยคุณว่าคนนั้นแหมพอเวลาเพ่งโทษคนโอ๊ยมีความสุขเหลือเกินหรือเปล่าเวลาเพ่งโทษใครเนี่ยคิดถึงไม่ดีอะไรกับใครเขาอย่างเงี้ยคิดไล่หรือความโกรธอย่างเงี้ยโอ้เวลาโกรธแล้วอืเคลิบเคริ้มอย่างเลยเวลาโกรธเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะไม่เลยเจ้าตัวก็รู้ใช่ไหมว่าโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ดีคุณเองคุณรู้อยู่กับใจเลยเสร็จแล้วยังไง นะปัจจุบันเราก็ไม่ปรับไม่แก่ก็เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ปรับไม่แก่เสร็จแล้วอดีตที่เราไม่ชอบใจเราเกลียดชังเราถือสาคุณก็สะสมอยู่เรื่อยสะสมอยู่เรื่อยสะสมอยู่เรื่อยปัจจุบันก็ไม่แก่เป็นยังไงอนาคตไม่ชอบใจคนนี้ไม่ชอบใจคนนี้นี่ยกตัวอย่างบ่อยไม่ชอบใจคนนี้ไม่ชอบใจคนนี้ไม่ชอบใจคนนี้เนี่ยปัจจุบันคุณก็ย้ำอยู่เรื่อยแลยสะสม ทึษาทึษาทึษาทึษาสะสมจนเป็นกรรมเก่าก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคือมันอาจจะตั้งแต่ชาติไหนก็ได้นะไม่รู้ไปก่อเวรสร้างกรรมอะไรกันมาก็เลยเพียงแค่เห็นหน้าครั้งแรกก็ไม่ชอบแล้วอันนี้กรรมเก่ามีจริงทำให้เห็นหน้าครั้งแรกก็ไม่ชอบเลยนะนี่คือผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วพอเราเห็นเสร็จเรารู้สึกแล้วไม่ค่อยชอบเลยกี่หน่ายกว่านี้นะเพราะฉะนั้นกรรมใหม่ล้วก็ ไม่ชอบต่อไปเราก็ไม่ชอบต่อไปนะรู้สึกอะไรรังเกียจ ร, รู้สึกว่าอไอคนนี้ถ้ามาใกล้เราหรือมาพูดกับเรานี่เราก็สวนกลับหรือว่าเราก็ว่ากับหรือเราก็พูดมานาวย ม, มีน้ำใส่เขาอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคุณสั่งสมอย่างเงี้ยสั่งสมอย่างเงี้ยทั้งของเก่าทั้งของใหม่บอกละอนาคตเป็นไง ถ้าเกลียดมากๆเข้าเกลียดมากๆเข้าบอกเดี๋ยวไอ้คนนั้นน่ะหน้าหันแน่หน้าหันแน่คืออ้าวคุณโกรธมากๆเข้าคุณเกลียดมา ก, มากเาๆเข้าเพือเพื่คุณตบหน้าเขานะอันเนี้ยวังเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ ย, ยร้ายมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าโอ้โหนี่มันมีเก่าเก่ามันมีกรรมเก่ า, ก า, กาที่เราถึอสาเราไม่ชอบใจอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ที่เคยทํางานกันมาหรือเคยมีปัญหาอะไรกันมาแล้วเราก็ถือสาเราไม่ชอบใจแล้วคุณยังเก็บเอาไว้คุณไม่ได้ลา้างนายังคาค้างใจคุณอยู่นี่คือกรรมเก่าเสียแล้วกรรมใหม่บอกแล้วกรรมใหม่พอคุณเจอคุณก็บางทีเนี่ยคุณก็ดึงสัญญาเก่าที่คุณเกลียดชังเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะมาโปง่งมาคิดมาเสริมใหม่เข้าไปอีกโอ้ยเนี่ยนะชั้นยิ่งเกลียดชั้นยิ่งไม่ชอบดูซิกันยังมาพูดยัง ชอบมาทำงานใกล้ๆฉันอีกเวลากินข้าวก็ดูที่ชอบมานั่งอยู่ตรงข้ามกับฉันเนี่ยให้ฉันเห็นหน้าตาแกอีกอะไรอย่างเงี้ยอาชีปรุงไอ้พวกเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆมาบอกแล้วอย่างนี้ซวยเลยคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแล้วคนเนี้ยกาลังดำรงชีพเนี่ยดำรงชีพอยู่ด้วยจิตที่เศร้าหมองจิตที่เป็นอกุศล จะไปไหนรอดคนนี้ยนรกถ่ายเดียวบอกได้เลยว่านี่คนนี้นรกถ่ายเดียวเลยเพราะนารกนี่ก็คือความสภาพของความเร่าร้อนใจใจมันจะหงุดหงิดมันจะลาคาญมันจะโกรธเคืองมันจะถือสามันจะอากา่มันจะ พ, พยาบาจองเบนอะไรก็แล้วแต่นี่แหละวันอย่าปล่อยให้สภาวะจิตเป็นเป็นบุคคลประเภทนี้วันเมื่อรู้ตัวแก้ได้แก ส่วนอันที่สี่นี่บอกละนะคนที่ยังคิดอยู่ในด้านชั่วด้านเลวอยู่นี่เป็นอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางนะมีอยู่อย่างเดียวก็คืออถ้าจะเป็นได้นะคือมันมาจากผลข้อสามนี่ถ้าจะเป็นได้ก็คือไปตกนรกมกไหมจนยังไม่ผุดไม่เกิดคนะือ <c ười> จนยังไม่ผุดไม่เกิดคือ มันมันตกอยู่ในสภาวะจิตวิญญาณที่เรียกว่าโอ้โหมีแต่ความอาฆาตความพยาบาทความเลวมากๆนะเลวจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าว่าไ อ, ไอความเลวจิตที่มันชั่วร้ายอะไรพวกนี้นี่มันทําให้มันมันแค้นมันอาฆาตมันอะไรที่ที่อยู่ในสภาวะที่เลวร้ายมากๆบางทีอาจจะต้องไปเกิดเป็นอะไรอะ่ะ สัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอะไรอยู่โน่นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์มันเกิดเป็นคนเลยเพราะสภาวะจิตมันคุณภาพของจิตมันต่ำจิตวิญญาณมันต่ำเกินกว่าที่จะมาได้ร่างเป็นคนยกเว้นว่าประเภทที่เรียกว่าอะไรอะอย่างที่พ่อท่านบอกว่าอะไรเป็นลูกผีมาเกิดนั่นนะ่ะยกเว้นประเภทนั้นเท่านั้นเอง ที่เรียกว่าโอ้มันยังมีบุญอยู่บ้างนะมันถึงได้มาเกิดเป็นคนเนะี่ยมันยังมีส่วนของบุญอยู่แต่พวกที่ไม่ยังไม่มีส่วนของบุญนี่ยังคงจะเป็นแบบสัมภเวสีอยู่อย่างนั้นแหละเอะเข้าใจคําว่าสัมภเวสีไหมเออถ้าภาษาพูดเขาก็บอกว่าเป็นบิญญาณที่มันยังร่องรอยมันยังไม่ผุดไม่เกิดเลยเอน่นระวังอย่าให้มันเป็นลักษณะนั้นนะเอาวันนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูด เพราะสูตรนี้อาตมาว่าเป็นแง่คิดที่ดีแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้ดีถ้าเราเองเราลองหมั่นเอาไปพิจารณาดูถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมใหม่กรรมเก่าเรื่องของวิบากกรรมพวกนี้ได้ชัดเจนได้ดีขึ้นจะช่วยทําให้เราเนี่ยแก้ไขกรรมปัจจุบันของเราเราจะไม่ปล่อยให้มันไปในทิศทางที่ชั่วนะแต่เราจะ พยายามสั่งสมกรรมที่ดีเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงมันยุ่งยากมันซับซ้อนเหลือเกินคุณไม่ต้องคิดมากอะไรเลยคุณคิดง่ายๆแค่สองข้อคือถ้าเป็นบาปชั่วไปไงไม่ทำซะเลยดีกว่าส่วนดีไปไงอะไรดีเนี่ยทํามาให้หมดเนี่ยง่ายๆแค่สองข้อเพราะว่าถ้าคุณทำสองข้อนี้ได้ ข้อสามจะตามมาเองคือคืออะไรจำไม่ได้เหรอลากี้เนี่ยกรรมเลวอะไรก็ไม่ทำเนี่ยปับพระปลาปัสะอาัการานังก <c oughs> ารไม่ทำบาปทั้งปวง <c oughs> ใช่หอย่างที่สองกุศลสู ป, ปัสัมปทา <c oughs> การทำกุศลให้ถึงพร้อม <c oughs> คือกุศลอะไรเอาเอาหมดอะทำหมดอะแล้วตัวที่สามเราจะได้คือ จิตจะบริสุทธิ์ผ่องแผ่สัจจิตตปริโยธปนังนะจิตมันจะบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นถ้าคุณเข้าใจง่ายๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาย่อ ง, ง่ายๆเหลือเหลือแค่ที่พูดเนี่ยนะแต่อันนี้เป็นรายละเอียดนะที่ที่ที่แยกแยะให้ฟังนะอะ้วันนี้ก็ก่อนไปนอนก็กรรมใครกมมัน